เป็นวันพระรางเดือนหกหยุดยกพินที่แกในวันนี้ถ้าหากว่ามันมีอาทิตกามามยนมีตาดช่วงแปดวันนี้จะเป็นวันเสรงมเสวิสดีจ้าทุกเสรงมเสนิทิตกาาตย้ที่นั้ในวันวิสาขบใช่แต่ว่กากงหลวงประเดียนหน้าก็ามีแตช่วงแาด มามาพระล้วก็เลี่องมากลางเีท่านตามประละบูชาผ่าบูชาก็คงจะเป็นความเดินหน้าที่ถูกต้องตามดาาจาสตและโหราจาสตรตอนพระอาทิตย์จันรเวียนโคจรรอลลบรอลรอบลอบมีทั้งขาดมีทั้งเติม มีทั้งเติมมีทั้งตัดหลายวานละเวลาที่ผ่านมาคนเราก็มีทั้งขาทั้งเติมทั้งเติมต้องตัดแต่เราก็ไม่แยงเราก็ไม่เคยเสียใจในชีวิตปฏิบัติธรรนี้แต่ขอฝากท่านประตูความคิดกับามหมายที่ท่านเองหน่อยท่านทั้งหลายมาเจริญสัตวธรรมดีที่สดแต่ควจะสดดูก็สดหาย จะสุดก็ยอมมาแล้วแต่เพิ่มโอกาสต้องเกิดขึ้นทางในวันนี้ที่เราได้ตัดการโทษกังวลมาอยู่วัดปฏิบัติธรรมดูที่สดอนุญาตธรรมต้องเห็นลัทธินรเห็นพระองค์เจ้าดูเรื่องด้วยเห็นอริยบุตดูอริยก็ด่าสมหาโพธิ์ต้งกาล เหวี่งต้้งตะตูแข่งประวัติาสตร์ให้ครบความคันยุลายัดรูที่สุดตอนปฏิบัติธรรมนั้นใลไรก็หาได้รู้มากว่าปฏิบัติธรรมคืออะไรแต่ทั้งหลายท่านหญิงท้านชายที่ท่านตั้งใจมาและขัดอาอันนั่นเช่นบำรงสายที่ลึกจะไม่ประมาทที่ลึกจะเข้าไปถึง กกมุ่งหมายของพระพุทธาสนาะแน่นอนที่สุดขอราะกที่ปฏิบัติทำวันวันอุโบสถที่วันนี้เป็นวันที่เราสาราจิตแพทยกขะชื่ททำใจให้สุ่นบานทำให้กระเริมตำลานสักวันหนึ่งจะทำได้เหมนเะป็นทั้งหลายเรามาแสวงหาธรรมะธรรมากล่าวย้ำมานานแล้วให้ใสาวัดถึงสามยัด วัตถิรทนพระท่านมีธรรมะประจํจิตกรรมใจวัตถุก็สะอาดจีวจุ๊กก็จะปราดจะาดจะากมลทิพจะไม่ส้มองต่อไปตลอดภา พ, นภาพนินี้จะชาติหน้าวัติสองวัดอารมณ์เราดูอย่าไปวัดอารมณ์คนอื่นเา้นเนนาให้มันเสียขึ้นขึ้นอกาในเสียนโอกาตเวลากลั่นขึางจะได้แต่ตัวของท่านเอง ตัวใครตัวเงาใครทำใครได้ใครไม่ทำใครก็ไม่ได้ช่วยกันไม่ได้ภรรยาปฏิบัติธรรมมีธรรมะประจําจิตใช้ชีวิตประจําารที่ถูกต้องตามครลอรงของชีวิตแล้วสามมืก็คงไม่ได้ต่างคนต่างทำกันสามมืนะั่งปฏิบัติกรรมฐานอยู่ในวัดภรรยามาตาม อเมรยามไม่สนใจเลยก็ห่างเหินฟ้ากระดุลแน่นอนที่สุดจะไม่พบกันในชาติหน้าต่อไปอันนี้หลักสาคัญพระพุทธเจ้าเระเวย ก, กระชาทุกชาแต่คือประสงค์ขายกำไรเสรินกลับคือบารามือของพระชินสุขกับดาวพมาพุทธเจ้าขายจึงหยิ่งแท้กุญแจที่น่ า, าวิชาฟ้าเจริญมากับแม่โอรพินเทวีแต่อตอน กูทาคู่อมกูอรมกันมาแต่ยื่วสระพละิกให้ฉันได้เหมือนกระเวสะดอนซ้อมปราบราชโกยีมีปัญญาสูงแม่เอ๋ยแม่มัตสีสร้างความดูสงนองก็องค์ท่านจะองถ้าบาคาละามาละ ม, ละมนด้วยกันนะป่าหิมะพามตลอดมาแทบจะเอาทีได้คือวาน้ำ แต่แล้วก็ต้องอดนววาทนประวัติช้างปัจจายนาเป็นเหตุให้พระองค์ได้เสด็จมาผลไอ้เข้าสูมาผลกัก็ปุถยานจัดเป็นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในโอกาสก่อไปได้เลยทั้งหลายเอย๋คู่ชางคู่สมคู่อบล้มจิตในโลกมนุษย์นี้มีคู่เดียวเท่านั้นคือพระพุทธเจ้ากับ อักเนธรรมเหตุสอรอางความดูทุกขะใจกันทุกขะเจกันทุกขะเสียทละกระทั่งก่อช้ารู้แม่ปัญหาก็ให้เป็นทางแม่มักคีก็หาด้วยวาทลูกสองก็ปลองดองกันว่าเที่ยงสำโปรติญาของพาลัสกฤติดาตลอดกระทั่งเป็นนกโทรนุด้วยออกมายังมีทชัดเจนแล้วขอฝากข้างไว้ าาาาทางพระนายเนตรนายงาก็เสียกระละพักให้ทานได้ติดใจก็พักเอาดวงใจหัดไทยให้เป็นฐานได้ก่อหมายความมาลุกละเรื่งองของลาก็ให้เป็นฐานได้มาด็ดตัดตื้อพ่อในนี้ยดวงหัดใจอันลุกสามีภรรยาก็สามารถเสียกระละได้กานจะได้นั้นเมล็ดมรผกแน่นอนอาประชาตินี้ก็ได้ อ่ะบงเสือศลาอะไรไม่ได้แล้วมาต้องกล่าวว่าทาหนี้เดียวา่หน้าก็คงไม่ได้เช่นเดียวกันอันนี้เง็นบอลทําำลายจิตชีวิตแล่นแทนที่เด็กจะไม่มีแปลนแผนแข่งที่เดกจะแลนแทนตลอดไปทุกทุทุกได้ยากตลอดทั้งจิตใจอยู่ระทมขมคื่นข้ามคืนก็ไม่มีความสุขนะความสบายไม่ได้เลย ไหนเลยแล้วท่านจะได้พอกทุกในกิ้งสมฐานเพราะปากถดถวยมากุ้งกิ่งจำจำจะไปได้อะไรกันท่าเรียนมหนึ่งที่มหกท่านตจงเรียนที่หกปีนะไม่ต้อไปเอ็คทาร์ตามปฏิบททัติธรรมก็ชินหยุดต้อไปปฏิบัติไปตามขัน้นตอนคันลองของชีวิตนี้ฉะนั้นถ้าจะเดินท า, นางข้าผิดขั้นชีวิตอับปางจะเสียการเวลาในชีวิตไปเปล่าปราศจากประโยชน์ ไม่มีประโยชน์อันใดแก่ท่านแล้วที่น้องสี่หลักทั้งหลายจะเปลนทั้งบรรพชิตนัก บ, บวชจะไปอวยใครจะเป็นฆรหัาสผู้ครองเรือนผู้ฆร า, าวาสจําเป็นในชีวิตชีวิตของเขามากของประกอบประชิดตายงานเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานในชีวิตของเขาในโอกาสสมเด็ อ, อยัเพราะยังเรื่องตังวลเถลเพในหัวใจ กังขาในหัวใจตลอดเวลาการสงงไขตลอดและล่ำไปไม่มีความที่จะแจ้มแจ่มรัดจะมาเวิดแสงสว่างในดวงศึกหาไทยแสงสะอาดุอท่านได้พระพุทธเจ้าสอนเราให้มีปัญญาในตัวปัญญานอกตัวนั่นชื่อยตัวเองไม่ได้เชื่อคนอื่นไม่ได้องค์สมเด็จกระคำมาพระเนจรเป็นเสวยจะชาถึงยื่จิดึงตาจุดอสงไขย าการบารมีกุศนบุญญาลาสีมาหลายชาติหลายกับอันงังต่างตลอดกาลเวลากว่าจะมาสัดย์ข้าผุดทายเจนะชุดทูเมมาปูจานาวิเวงตะเว่จะฆ่าเป็นภเวชนดอนให้พามใ น, นทุกอย่างทั้งสนิทบุนพาพรเกตมังกรแจ้วตลอดกระทั่งเพชรนินจินดาให้สาวถืสาวชายเปนหมดในหวังผลแต่อะไรประกอบแถมการกระทำใดข้าสุดทายก็สามารถเจรจาได้ ชาติสุภาษิแต่เราเป็นชาติสุภาษิตหรือชาติไหนกันชาตินี้ชาติแรกแต่เราก็ยังไม่สา ม, มารถจะแรกเอามาผลได้แต่กระทำใดไหนจะจะแต่งจะได้ยานที่ปกแล้วใครปฏิบัติการเสียดายเสียายด้วยแค่เจ็ดวันอธิบาล ย, ยานแค่าหรับยานยานก็ไม่ดับอะไรไม่ได้เลยแลย้วจิตจะปกได้สำนัก คิดว่าเป็นการได้เลยมันยากายากมากไม่ใช่เรียนหนังสือง่ายกว่าจบปริญญาเ อ, อืเรียนก็ ง, ง่ายกว่าแต่การช่างจิตชีวิตจันใจใจสะอาดหมดจดบริสุท์นั้นพองคำธรรมชาติหลอ้วทำได้ยากมากต้องพยายามทำตลอดไปอย่าไปทิ้นไปว้างกลางมรรคัรคา กาจจะเสียเวลาตามที่จะเดินทางกันต่อไปจะเสียหน้าที่การงานชีวิตเหลือน้อยเวลาก็น้อยลงไปทุกวันไอ้ข้างหลังก็มากโดยเวลาชีวิตเดินทางก็เหลือน้อยเนทีแน่ชีวิตเราก็ใกลที่จะเลี้ยวรัดทายมาพับอับกระเคตดวงช้าทิศก็จะตกไปตามตามมาขมายคาวิีทิต ถ้าทิศไม่เคยข้ามฟ้าคือทธิ์จีวาเราก็กล้องดับท่านทิศบางหรือไม่หนุ่มหรือสาวอย่าทิดว่าเราเป็นหนุ่มเป็นสาวหนะ้าขาวขาวทุกคนว่าจะมีโอกาสที่จะสร้างความดีอีกนานแต่อาจจะตายขึ้นในข้าคืนวันนี้ท่านจะชาหรือไม่แปลกใดอาจจะตายวันพรุ่งนี้ตืนี่มาปาร์ตี้บานทำไม่ได้มันยุ่งอื่นหน้าคงไม่ยุ่ง ตีหน้าคงมาได้ท่านคิดอย่างนี้กันทุกคนแล้วนาที่ดาเวลาที่มีประโยชน์ต่อชีวิตของท่านเหลือเกินท่านจะเดินไปทางไหนจะก้าวหน้าไปทางไหนก้าวหลังไปทางไหนท่านจะทราบไหมทำทั้งหลายเอ๋ยไม่ใช่ของง่ายง่ายากไม่ใช่ของง่ายมันไม่ยากมันไม่ง่ายแต่คําว่าง่ายคือยากแแต่เราเคยปฏิบัติแล้วปฏิบัติให้มันถึง เขาให้มันถึงมันถึงจะจึิงใจถ้าไม่ถึงคิดท่านจะไม่จึิงใจท่านจะไม่ฝ่ายดีท่านจะไม่มีสัจจะเราเสียสัจจะล้วเวลาการที่อยาเสียคาพูดถูกพูดอะไรแล้วนั้นมนจะหมดโอกาสในเวลาของท่านหน้าที่การเวลาเหลือเกินตรงนี้หน้าคิดหน้าพิจารณาแล้วต่อมาเนี่ยก็หล่อไปไม่กระมาทมทำงานขนยังลุ่งใครจะด่าจะว่าท่านเขา เขาไม่ดีเขาจึงหลาเราถ้าคนดีมีปัญญาจะไม่มองคนอย่างนี้แล้จะไม่ดา่าใครจะด่าตัวเองทุกวันด่าตัวเองแต่ขายตัวเองดา่าแล้วก็แก่แก่แล้วก็ด่ า, ดาที่ตอนะนะแะนะนำแลว้วก็นำนำแล้วก็ปฏิบัติที่นี้นะจะไม่แยแย่ยจะมีแกกระแผ่นถังจะมีมาขมานขาเดินทางไปดูความถูกต้อง ไม่ใคยมาตุ้มๆจาจําไม่เคยจะได้อะไรนะมานั่งคุยกันแค่เปล่าๆแถมนินทาการลมัเทน้มททำมาทอดชามเหมือนเอาเมือมาติดหินเทล้วไปแล้วมันไปไหนมันก็แสบแผดินหนีไปแล้วมันก็แห้งผ่ไม่มีอะไรเเหลืออยู่ค่ะว่ามินทาการลมัเทน้ำพูดไปก็ขัดใจเขาคาเราเบาราคาเยอะทําทไดขัดใจจ า, าท่านลดราคางานของท่านเอง นมีอากาศที่จะปตัวกลับเป็นตัวเองให้มีค่าราคาแพงทีวนีจะมีค่ามาใดท่านจะมีเวลาที่มีประโยชน์ของท่านเองอย่างนี้เั็นต้นและท่านจะได้อะไรและเปหลกักฐานในชีวิตขท่านบา้บางการสังลายเอ๋ยที่ปฏิบัติจะมาฐานจะมาเป็นเวลานานบ้างน้อยบ้างมากบ้างท่านมีอะไรติดขับท่านมีอะไรดีที่จะเป็นเหยื่อล้างสิตท่านได้มั้งไหม จะเดินทางได้ถูกต้องตามคอลงของชีวิตอย่างไหนท่านได้ยืถีชีวิตหลายอย่างยืดผีชีวิตเคลื่อนโฉลับหน้าพิสานงานได้หลายอย่างวิถีจุดเป็นขั้นเข้าไปตกนู่นหมายอันนั้นหลายอย่างอย่างเลยนะอยาบละมาดที่ลึกกขาดกระบ้านแลบลานตัดลอนบ่อนทำลายชิตชีวิตท่านจะเป็น ปะปุกปุกผลละกรมตายละทุกขตุ้ปฏิการขามอาบายเป็นที่ดัทุกขตุ้นปฏิการขาทุกข์กรเป็นที่ดักจะเอาทุกข์กระตุ้หรือจะเอาทุกขตุจะเอาความคิดที่ดีหรือไม่ดีจะตามได้ถ้าท่านเข้าถึงมาลายท่านจะตึงใจเดินตรงกรมได้ไหมให้ชาติหดเดินหนอห้าครั้งให้ได้ยังไม่มีใครทําได้เลยทหลี ถ้าท่านได้ต้องว่ายืนหนอห้าครั้งต่าจะปัญจกากรรมาฐานได้มาใด้จะรู้เหตุการณ์ในชีวิตของท่านจะรู้ว่าก่อแหตุกรรมนั่นเดินหน้าหรือถอยหลังไปแค่ไหนประการใดมันจะอ่านออกมันจะได้บอกได้มันจะได้ท่าให้ท่ายอมก็จะได้เห็นตัวตายเราจะได้คลายทุกข์ทีแล้วจะได้จงรู้ชอบแล้วเรืประกอบปุถุชนได้ผลานาเป็นหลักฐานสาคัญ เอาแต่ช่างก็มาดูเข้าวัดอารมณ์ตัวเองแล้ววัดฝุ่นที่เล็กจะแข็งสายเราจะได้ด่าตัวเองตลอดไปอย่าไปดา่าคนอื่นเขาเลยคนดีเขาไม่ดา่ากันหรอกคนดีจะมองค น, นอนแง่ดีถ้าทุก ค, ค, คนเนี่ยมีทั้งดีทั้งชั่วอาตมาด้วยแต่มีทั้งชั่วทั้งดีแต่คนดีมีปัญญาจะมองในแง่ดีเสมอแต่คนเลวเหลวอไรมันจะมองคนอนแง่รายเสมอไป จะไม่ถามาจจะมองคนดีผู้มีปัญญาอยู่มากแลาวจะมองแกบบตนไดถ้าตัวเองเนี่ยเป็นบงตนด้วยจุดกนะถ อ, อยหลังหลวงครอเึ็ออมองคนอย่างง่ายลาหาด้มองคนอย่างง่ดีมากคนแพทย์นี้ทําอะไรไม่สาเร็จจะเป็นนักธุรกุจก็ขาดทุนล้มละลายชีวิตจะลายความหมายชีวิตจะไม่การงอยู่ในกฎเกณฑ์วิธีการของชีวิตอันสุกก้องแล้ว พระพุทธเจ้า al ม al al al ันจะสอนท่านไปสว่สนิพพานนะสอนคนให้มีหลักฐานในจิตเกิดมาในโลกมนุษย์นี้ท่านสอนให้มนุษย์มีสมบัติมนุษย์ติดโฉมมนุษย์กับปฏิลาเภเกิดเป็นมนุษย์ให้มีสมบัติมนุษย์อนี้กดแผงกรรมรู้การกระทําว่ากับกรรมบทชติดครบเรามีมุษนมีสมบัติมาจนเรื้มาเกิดเปนมนุษย์โผลผาผ้าโผลาผีหน้าตาดูดูทุกคน แต่ทำไมเนาะทำกิจกรรมก็ถอยหลังหงองเอาซุกปุ่นให้จุดใจเศร้หมองไม่สามารถจะพัฒนาจุดในถ ALAR ก็ซุกได้ตามความหมายอันนี้แน่นอนออกมายงชัดบางคนก็มานึกว่าจะมาไม่ดยงดึงนุ่งผ้ากระพริบวัดนี้นใหม่ดูโหนเปอย่างนี้โหนเป็อย่างนั้นถูกแล้วสำหรับใจจุดใจท่านเห็นอย่างนั้นจริงจึงได้วาลายใส่สื่อวางสื่อให้เรา ถือแดงทาดถือแดงมันก็แดงต่อไป่าก็ชาติมาดูพาสีมันก็มาแดงทำอะไรมันก็แรงง่ายทำอะไรก็ไล่เหตุผลสร้าสุัวศมไม่ได้แล้วคนก็เพศนี่เรียกว่าภาวะตะ่ำจิตใจไม่มีปัญญาไม่สามารถจะมีปัญญาสร้างตัวให้เกิดปัญญาในตัวได้เลยปัญญานอกตัวนี้เขาเรียนเป็นดอกเตยกันเยอะ ปัญญานอกกรัวปเท่านั้นแต่ด็อกเตอร์อีกหลายคนต้องถึงข้าวกับน้ำตา ม, มาล้องไห้กับตมาอ่อก็เป็นดอกเตอร์แม่ก็เป็นดอกเตอร์ลูกเป็นญาติดติดลูกเอาดีไม่ได้เลยก็มีมากหลายไร้ปัญญาขาดความคิดมือแต่วิชาการแต่ไม่มีหลักฐานในจิตใจจิตใจไม่เบลน่ะไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่มั่งคนง้มแน่นอนเนี่ยตรงนี้เป็เรื่องสําคัญสำคับผู้ปฏิบัติมาก ผู้ปฏิบัตรทั้งหลายเรามาต้องการแผลงความสุกดถ้าจะจิตใจต้องการให้ดีที่จิตใจเดี๋ยวนี้เสียดายเสียใจด้วยปลูกต้นไม้เอายอ่อคลาเอารากขึ้นมางอกงิดมาสมัยโบราณพุทธกาลนานมาแล้วปลูกต้นไม้เอารากลงดิ น, ลนงลบน้ำพรวนดึงที่ละเดี๋ยวมันก็จะงอกนามออกดอกออกผลที่ใบได้จะให้เรารับประทาน เดี๋ยวนี้เอาน้ําไปลดมันยอดไม้เห็นมันออกดอกไปไวแต่ลากไม่ลดซี่จิตใจจิตใจแล้วจิตใจลายจิตใจไม่มีมรดกสัมพัน์กับปรการใดไม่มีการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันและคนไม้ของท่านจะงอกจะหนิดจะงอเข้าเมนไปในวันใดวันหนึ่งขึ้นหน้าโปรตีความหมายคิ๊กทางรองเข้ามาใกล้ตุดในชีวิตของคนทุกคนจะแปลเปลี่ยนเปลี่ยนพัก จะแปลวาสนาให้ม like he hey, you know ันหายหายไปนี่แหละท่านทั้งหลายเอ๋ยที่คนไล่บุญวาสนาไปอย่างนั้นบุญไม่มีไม่มีบุญวาสนาก็ไม่เคลื่อนป่วยก็นักรักก็นายนี้บุญข้างบุญเทวยเลยกมฐานเนี่เป็นบุญข้างบุญในตัวทําให้จิตใจเบิกบานทั้งษาบุญมันเกิดตรงนี้กระทำอยู่กระเวรที่กระทวาสนาก็ช่วย ปูเก็หายปูเวก็หายไปนายก็รักผูกสมัครรักใครนี่ติดใจทั้งท่านเองจะเป็นประโยชน์แก่ท่านมิใช่น้อยขอเกินพรอย่างนั้นบางคนขาดไปแล้วนงาที่ได้ที่สดดีมุดไม่ได้ดุพ้นไม่ได้ถ้าผู้ยังใหม่ต่อการปฏิบัติไม่รู้อะไรเลยไงก่อนหน้า ถ้าขอให้ทหําด้วยความตั้งใจแล้หน้าสมาธิไม่จ้องไปเอาเรื่องเอาราวกระไรทีน้อยนอยน้อยพึกน้อยทําความเพียรให้มากท่านจะรู้สึกนึกคิศตัวในท้ายในเจ็ดวันกันจะต้องได้แต่เมื่อไปคุยกันลามปร่าเ ม, มัวกันเศ ร, าร้รราคซีคลีชละแล้วอารมณ์ก็เสื่อมไปการจำร้สมาพิได้อย่างไรเหตุที่จิตให้เป็นสมาธิเพราะดามกล่าวนี้ เทือกจิตไม่เมีเป็นสมาธิไมีอยู่เกิดปะการหนึ่งนั่งไม่ถ 2, วิธีสองจิตตกกยงวลกังวลงานกังวลอย่างโน้มกังวลดย่งนี้ทํารับรองท่านไม่มีกมาธิหมื่นประเซ็นสา ม, มเหนื่อยมากไปทํางานมามนมเหนื่อยเยอเกินจิดท่านจะไม่เป็นสมาธิต่อหายเหนื่อยเมืเม่อยลาตั้งสติไว้ให้ได้ก่อในใจป่วยอาภาษหนัก จุดท่านจะไม่เป็นสมาธิจุดจะอุปาทานนึกถึงเวทนาปวดโน่นเมือ่อยนี่ปวดหนอปวดมะเรนอะไรทั้งนี้จุกท่านจะขาดสมาธิทันทีถ้าไม่ฝึกไม่ปฏิบัติได้ท่านจะไม่มีสมาธิเลยถ้าลาเกิดลาคาเกิดขณะนั้นจุกท่านจะหายไปสมาธิจะไม่เกิดก็เกิดไม่ได้อย่างนี้อย่างนี้ โทคโสดเกิดท่นไม่สามารถจะแก้ไขโภสะสได้ไม่สามารถจะตั้งสติเข้าไว้ได้สมาธิหนีไปหมดท่านจะทําอะไรก็เสียขาดสมาธิเพราะมีโภศาสโภคถึงจะติดอยู่ในจิตใจของท่านอีกขาไม่พักแล้วท่านจะไม่มีสมาธิปฏิบัติอีกคักยี่สิบปีก็มาหยุดถอนม่ดานิสงส์แต่ระการได้ เจ็ดอารมณ์มากระทบมือเจ็ดตานฟังไว้ดีอารมณ์เสกระทบกัมผัสเกิดเกิดอบายตาหูกระบอกวงวายใจเกิดสัมผัสมากระทบอารมณ์ก็เสียจึกก็ไม่เป็นสมาธิไหนเลยล่ะค่ะจะมีสมาธิมาอวดอกันมาว่ามีสมาธิแล้วไม่จริงไม่จริงนั่งหลับตา ก็ไม่รู้คนนี้สมัทถารีปัจนานั่งหลักกาอยู่ปลุกออกไปนอกไปชั้นใหม่เนี่ยปลดโน่เนี่ยไปบ้านแฟนปลุกโน่เนี่ยไปไปไปไปห่วงผัวเพือผัวจะไปมีเมียใหม่อะไรคำลอง น, นี้รับรองอีร้อยปีฉันจะไม่ยาอะไรเห็นด้วยหรือไม่แต่การใ ด, ดนี่ชัดเจนนะจิดเจวโทสศถ้าท่านไม่รังนับโทรศัพท์กองสมาธิกันจะไม่เกิด จะไม่เกิดแน่นอนขาาการกําหนดจุดขาดสติปัญญาไหนเลยจะมาที่จะเกิดขึ้นกับครูท่นานได้เวนพระท่านบวชหลับหลับหูหลับตาตะเพิดมาเดีู๋นเหลือลูกตายไม่ต้องสอบเอาลมณไม่ต้องถามครูาอาจารย์ครูอ า, าจารย์าารก็ทําไม่ได้เลยไปกันเลยล่งใจเลยครูก็ไม่รู้สึกก็ไม่รู้ความขลังของของอาจารย์แต่กลายเป็นความข้างขลูกศิษย์ เป็นมิมดแต่ไม่ดักมันคลั่งมันคลายแต่ครูอาจารย์ทําได้ก็ครั่งแต่ลูกศิษย์ทำไม่ได้ก็คลั่งเลยก็ออกไปนอกดูนอกทางเอาดีไม่ได้แน่นอนที่ถคยขอปากไว้นี่แหละศิษยเป็นขมาที่ไม่ได้ไม่รู้จุดประการศิษยไม่สงบไม่รู้กาจาการโยมต้องกําหนดจดจำข้อนี้ไว้ก่อนศิษไม่สงบทํายังไงก็ไม่สงบ ทำไม่ฝึกมาก่อนฝึกในกันสมาธิมือหยุดเจิดอาการโรกรธกาหนดกฎจำไว้ด้วยฝึกไม่สงบมีตาอาการหนึ่งมีไม่พอต้องยัรกายอยู่ล่ามไปทำจะไม่มีความสงบในครอบครัวเลยสองใช้เวลาว่างเพลินไปไม่เอางานนอการพวกประเภทนี้พวกจุดว่ามันว่างจุดมันก็ไหลได้วย่ิัิกรรม ไม้ม mi ีอกาะไม่มีเกี่ยวเก้าวันนี้ที่กอกอะไม่มีที่เก็บตูดจะไล่ขายะไม่สมบเหตุามณ์ที่สามทำให้ฝึกถูกเบียดเบียนจิตใจในครอบครัวเขาอยู่ในหมู่บ้านดีเขาเบียดเบียนจิตใจเราจิดท่านจะสงบไหมขอถามด้วยความจริงใจในทีวิตทุนนี้พรดนเบียดเบียนจิตวิญญาณแล้วเราไหนเราจะท่านจำอยู่ด้วยความสงบได้ การที่สี่อวัยวะไม่สร้างในความปกติปวดพอกปวดหัวขาดสังกีขาดไปอวัยวะไม่ปกติท่านจะสงบได้ไหมสมมติว่าขาดเป็นครวอากา ร, รยา์ตัว อ, อย่างกําลังสอนเด็กนักเรียนปวดปัวะปวดอุจระแล้วท่านจะจิตสงบไหมจะน่าสอนนักเรียนต่อไปได้ไหมอวัยวะไม่ ส, ส ร, ร้างในความปกติยกตัวอย่างให้เห็นอย่างง่ายง่ายก่อน ก็ต้องไปปัดท ว, วาชะก่อนไถาา่ายกระราะก่อนให้มันโล่งใจแล้วก็มาสอนต่อไปถ้าจุดไม่สงบแนะท่านจะสอนเด็กไม่ดีเลยสอนลูกก็เอาดูไม่ได้ด้วยจุดท่านไม่สงบเพราะวิญญาไม่ถูกความไม่ตกกระตุกใครหรือไม่ข้อห้าโรคภัยไข้เจ็บเดือดเดียดทันตโรคสมวันนี้คือมันค่ายจุดท่านจะไม่สงบอยู่ในภาวะอันนั้นแน่นอนที่จุด อย่างนี้ประกอบเพราถูกเหนว่าล้อมดึงในทางชั่วถ้าจะ อ, อยู่ในกลุ่มคนเลวคนขานก็ดานบาปดึงทุกวันดึงทุกวันเข่าหญินปัดอย่างแนมอย่างไงมันก็จะโคน่นลงไปหินภูเขาโดนน้ำทาร์ไปเรื่อยมันก็กรอนไปเรื่อยกรอนไปเรื่อยเห็นด้วยไหมจุดใจจะไม่มั่นคงดำรงขาดท่านาจะไม่เกิดมีความสงบเลย ถาท่านฝึกไว้แน่นหนาฝาข้างท่านก็จดสงบออกมาอย่างนี้นี่มีความหมายแกตรอบเพลิงไม่มีความสุขทะเลาะ ก, กันทุกวันโดยท่านจะสงบไมมขอถามด้วยความจริงใจในที่ประทุมนี้ของจริงเนี่ยออกมาอย่างนี้มันจะยาน้มเืิ่มยานี้ขึ้นนะแปดมัวเมาใบยามุกเร่นการทานนั้นไม่พักเกดี๋ยวแก้สวนหวนหาในสังคมตลอดรายการฝึกท่านจะไม่สงบเลย ในละจำไว้นะติดไม่สงบมีอยู่แต่สการติตไม่เป็นสมาธิมี้เส็จประการนี้เรากำหนดเจะจำไปตีความคิดเรื่อจริงหรือไม่เขียนวิญญาณมีผลอะไรมาบ้างเรียกว่าวิญญาณมีผลชีวิตทีวิตจะแล่นแฉนชีวิตก็ไม่มีแปลงแผงชีวิตจะไม่กังงดดีความดีก็ทําไม่ด่แต่ท่านเองนะมี่อย่าท่านมาเนี่ยต้องเข้าหลักนี้แน่นอนมีอยู้ว่าสมาธิ หนึ ų, ų, ่งงานไม่ถูกวิธีสองจิตกังวลจิตตกของวลงานกังวลอะไรบ้าบอค้อตากแล้วมานั่งบนกังวลเรื่องหัวเรื่องเมียกังวลเรื่องดูเรื่องตาบถึงต้องขาดปรีโพกังวลเที้ยงไหนๆจะมาวัดทั้งทีเอาดีกลับไปให้ได้ได้ไหมบอกว่าร้องกอดค่ะฉันมานา่เสร็จบ้านไม่ได้เลกังวลนี่นี่จอดเลยจอดเลยนี่เจ็บไหมจ็บไหมก็มาที่เพราะกังวลถึงต้องขาดปรีภพกังวลเพี้ย เพี่ยสลาะมาอยู่วันที่เจ็ดวันหรือสุบวันเนี้ยตัดกังวลให้มันได้ถ้าตัดไม่ได้กำลังเดินทงกรมขาอย่างหนอซ้าอย่างหนอหีือว่ากูอยู่บ้านไม่หนอหวานอานอซ้าอย่างหนอลูกกูไปโรเรียนนี่ไม่นอหวาอย่างนอซ้าอย่างหนอล่างขาปูโคนแน้นมังมาหรือเต่าหนอ หอว่ากลัวเอาเงินไปให้เมีอนร้อนมนันริบเล่าหนอหมื่นปีก็มาด่ามึเห็นด้วยไหมคับแค่จะพูดให้ชัดในวันนี้วันกลางเดือนแล้วแสงสว่างเช่นกรนลอยอยู่นกพากากลางเดือนแลแ้วแกนใสท่าจะแกงใสหรือท่านจะมืดก็แล้วแต่ท่านแล้วอแล้ท่านจะใชคัำยาในตัวมั้งไหมถ้าเหนื่อยมากมันค้าเหนื่อยหลุ้น เหนื่อยไปแบกหามมาไปทำงานเนสมาธิไม่มีหรอกจะบอกให้ต้องหายใจยาวๆเหนื่อยหนอเหนื่อยหนอพอหายเหนื่อยแล้วถึงจะมีสมาธิถ้ายังเหนื่อยอยู่หาใจไม่ทั่วท้องท้องก็ร้องแล้วก็หิวสมาธิมันไม่เกิด ฟังคู่ปฏิบัติการฟังจำเอาไปใช้เกิดจากบนสุดที่ไม่จะมีตัวหนังสืออ่านคนที่ไม่อ่านนังสถือมีตัวนั้นคือถนัดมันจะผูกที่มาบอกและกระจดไว้แมงซี้กระจดและจำจำไม่กจดไว้แมงทีเนื่อยมากสมาธิไม่เกิดตัวยอ า, าพาธ เป็นโรกมาเล็งปวดนอนปวดนี่แล้วท่านจะมีสมาธิไหมจิตก็ไม่สงบแถมสมาธิก็ไม่เกิดาไม่เกถ้าราคาเกิดอันนี้มาต่อที่ายนะาาราคาเรวอะไรไม่ก้องเราก็โตกันแล้วใหญ่กันแล้วรู้กันแล้วราคาเกิดท่านไม่มีสมาธิจิตท่านจะไม่สงบเทคู่กันถ้าจิตสงบท่านก็มีสมาธิ จิกไม่สงบไม่มีสมาธิทาไม่มีสมาธิจิตก็สงบไม่ได้กระโจนกระส่าิตไม่สงบแถมไม่มีสมาธิแถมเร็ว้ายออกไปหายใจก็ช้านหายใจให้มันยาวโกรกหนอโกรกหนอผู้ปฏิบัติไม่เดคําตรงนี้จึงไม่ได้อะไรเกิดขึ้นปล่อยให้มันผ่านไปเสียหน้าที่ใด เลยก็มันก็ย้ำเข้ามาฝึกในจิตใจเราตลอดปีละตลอดเดือนตลอดวันอย่างนับหาได้มีสมาธิจิตภาวนาไหมนี่จะเอารมมากระทบเข้ากับโดดดิ้นไปเลยกระทบไม่ได้เหมือนอย่างลูกไข่ไข่ติดไข่ไกยกระทบมันก็กองแตกกองเป็นไข่หินกองเป็นไข่หินอดทนอดกลั้นอดออมไปมีไปยอมยอมฝึกมาฝึกมา จะมาต่ อ, อยานที่โผล่ต้องไปวัดอื่นวันนี้ไม่มียานมือควรไปถามน้นองก็คุณน้องขอครับมียานดีนะโลลวงนาเลยเออกูอเขาเลยกันเลยวะครับเขารลยครับเพราว่ามียานทีวีไปไปไปสัมภาษณ์กูก็ไม่เห็นมียานอะไรวะหลวงพ่อคุณทํำอะไม่สอนธรรมะพวกมึงมงงจริงวะมันมาหาธรรมะหรือเปาวะมันมาให้กูข้อหัวมัน มันไม่เคยมาหาธรรมะเลยเนะียกูก็จะมีธรรมะอะไรให้มันกูมีธรรมะอยู่เต็มเปลา่าจนกระาของกูงเองแต่มึงมาขออย่างนี้กูก็ให้อย่างนี้ไปมึงมาขอธรรมะมางไหมเปล่าเลยมารอนอนจะให้กูเอาไม้เคาะหัวมึงอย่ามาขอปัจฉวะกูไปกินอย่างนั้นมึงเคยมาหาธรรมะไหมนี่จะพูดอย่างกูไม่มียานหรอกออกไปวัดอื่นกูมียานเหมือนพวกมึงเนี่ย ตัมึงเนี่ยยาญานมีทุกคนทุกคนมียาทงั้นเนี่ยเนาะเขาก็ถามอยู่เขาก็คุณยานอย่างไงอ่ะผมไม่มียาละมึงงงเนาะมึงยาญานตรงตัวเองตัวก็ตรงตัวเหมือนมึงเนี่ยอูมียาอะไรนีมีเรื่องจริงนะเอามาเรื่องจริงมาพูดอย่าเบี้ยอย่าเบี้ยวนะจะไปหายาในที่ไหนนะน่าจะรู้ฉิบขับไปฉิบโกธรกรรมว่าเรามีกรรมอะไรทำไม่ได้เนี่ยเป็นอย่างนี้เราจะชอบอะไร ก้อนเนี่ยกังวลตามไวเลยจุดไม่สงบ ม, มีตายข้อจุดไม่เป็นสมาธิมีเจ็ดข้อนี่ได้จกรรมาฐานทั้งหมดแตาใครตรง น, นี้แล้วก็ไม่ต้องทำเนี่ยไม่ฝึกไว้ก่อนเนะี่ยก็ไม่มีทางที่จะแก้ไขปัญหาชีวิตเลยนะขอฝากยากโยมไว้ในที่ประชุมนี้ด้วยากรารมานึกได้ททำกรรมาฐานไปมันจะออกมาไปตูหนังนเลเนี่ย อามันถือไม่มีตัวมันจะบอกอเองนะผมนีห่หัว ห, หัวจะแตกผมนี่เราจะชนมีเล่นไหนมันบอกเราไหมมีเล่นไหนมันบอกเราไหมไม่มีบอกแล้วนะจะบอกให้นะท่านรองอายการชุ้งสดทอานปฏิบัติ ท, ท, ที่นีมาไปไดูสุขราต้งแสียท่นทานะะจะหนีเด็ดลาแต่งงานกามาก็ไปชุวันโกเดี๋ยวนี้เป็นรองอาการชุ้งุดนะเนาะในไทยวัดเกิดปีชาสวัสดิ์บอลงพ่อครับผมมีปัญหาอยู่ห้าข้อ ลองไอ้ท่านนายกการทุวยดูก็แก้ไมาา่ได้ทั้งตามเมืองตามบ้างภาคประชานมีห้าข้อครับผมยังไม่บอกกับพ่อผมจะลองมาแก้ดูเอาราท่านนายกการนั่งเลยนะอย่าไปพูดกับใครเลยนะเอาตามนี้เดี๋ยวจก็ขออารมณ์ให้เนี่ยจะถอนให้เดินอย่าไปพูดค่ะเดินกันนางนางเดินสามสี่วันเขาก็ดาจบท่าข้อแก้ดูหมด นี่หนังถือมีตัวอักษรผู้กระท่านท่านจะเข้าใจคาพูดนี้ไหมทุกคนเนี่ยคือพูดเนี่ยเข้าใจไหมหนังสือไม่มีตัวอ่าหนังสือไม่มีตัวคือประชวรการกันชีวิตกรรมาฐานเหตุกรรมาที่คอหักวคนที่ที่ตุลาหนังสือมีตัวเลยฮะมันบอกเลยฮะกดแทนกรรมมันจะผูดขึ้นมาสัมผัสนั่ที่ตุลาเพี่งอหี่ผ้าท่านจะมรณะผ้าต้องตายลดผลคอหักกายอดตมไม่ ไอ้ตุ่มคอมพิวเตอร์นี่มาจากเลื อ, อกมาเมื่ออยู่มาเทียมถามไปหักคอนเนาองใส่หลายนดดูแทนที่ตายทางอากาศต้มแทนที่ตายจะให้หนองใส่หลายเนาะนี่ทั้งถือมีตัวเนาะถ้าท่านมาซ้่มึ้นจามจามเะาเนี่ยก็ให้ได้แล้วบางคนก็มาถาไม่จะมาหลงพ่อคะนั่งคืนวันผัวจะกลับบ้านออมมานั่งแลกระเรียนเนี่ยมันมีครูที่อยู่กับปนนคร ผัวหายไปสามปีสี่ปีแม่กลับบ้านลูกมีอยู่สามคนจะไม่ออกที่ครอาจารย์สอนโรงเรียนพ่อผัวแม่ผัวขายที่ยาเป็นร้อยล้านแล้วเอาตังไปหลายที่ร้อยล้านไม่รู้ขายไปเลยเข้าใจว่าไปโยนคนทุบตายพระหมอดูกันแน่พระกรรมฐานก็ดูเพื่อกันดูนะบอกตายเยอะ พ่อแม่ทาบุญให้แล้วเจ็ดวันให้แทําบุญร้อยวันแล้วเรียบร้แต่อาจา์คนนี้เดินทางมาจากสกลนคร น, นะกลัามาฐานที่วัดนี้ของกางบอกนี่เราสอนเองนะเนี่ยเดินก็กลมนี่งชั่มงมาได้ยุยงงจะรู้นะเดิยนอย่างนอย่างนี้เดิ น, นหน่ออย่างนี้อ่างนี้แล้วก็นั่งหนึ่งชั่วโมงอย่างจำใจขับปืทคือปืนไม่เอา ตายมาตายก็ได้รู้เรื่องกันเรื่องมันถึงตึ้งเถอ่ให้มันเข้าถึงอย่างนี้นจะถึงออกมาถ้าเข้าไม่ถึงทําความดียังไม่ได้ขั้ okay. ไม่ได้ขั้แบบบบราณท่านว่าไวาย้ยสมาฟังพระเทพจําได้ ม, นนมาจนวันนี้ยังมาเป็นเด็กถุยทูกเตี้ยฟ้าชันเทศมีบ้านต้องมือขรัวนะมืหัวต้องมีผมผู้หญิงต้องมืน อ, อนมขนมต้องมีข้าวไข่ต้องมีอบานบานให้มันถึงที่ทําความดีมันถึงขัน้น ตมาจำได้มาประเด็กนั้นเนี่ยยังพูดเพื่อเนี่ยโนไปสอนลูกบางที่มันจอดมันจำมันจำมันจอดถึงใจน้ำ่าได้งดมันจอดมันจำไปกัน้าคงูสอบดมาหงุดู่ประถมสองเนี่ยพอมาประถมจบวาราได้หมดจงมาพิ้งหนังสือพัฒนาคำกรสอนฝึกมารยาทพัฒนามารยาทไทยไท้สอนโคงไปทช้งมาหาวิทยาลัยนี่จาได้ชื่อมปมสองน้าชื่ด่านมาก อย่างนี้เลยก็อาจารย์คนนี้แผลไม่ตาไม่เชื่ยใครอย่าไปเชื่อพรามเนาะดูย้อนผู้หญิงเนี่ยตัวทั้งคันนะลาลูกสาวจะมีหัวไปหาพระวันได้เดือนถึงแต่งงานลูกเลยโงอที่สดน่ากลัมาถามาดูเมื่อว่ามันมันผิดใจมันเข้ากันได้ไหมเราสเปกเดียวกันไหมใครเกินเดียวกันไหมค่อยเดิงนานกันแค้เด๋อนนี้แต่งเชา้าเจอเช้าแต่งเย็น ได้เย็นทิ้งเช้าไปเลยนะขอฝากแม่บ้านไปด้วยอย่าทำอย่างนั้นอย่างโงงเอาวันเดือนปีไปให้พระดูวันเดือนปีโกงกันเต็งโอ้ได้หัวไนดะ้ลูกเขยคนนี้เป็นเศษศีแน่เลนะยแต่งตามาอ ย, ย่งไปชยันตอเละสามปีเจนสามปีจ น, จ น, จนลูกสาววัฒนาไม่พอ้าลูกสาวสี่สิบปเจนอย่าแต่ง น, นะแต่งเจนทุกหลั เอาอยัางไง น, นี่ก็มาามฐานบอกยังทำไม่ได้ไมาถึงขั้นนี้เลยจะทำได้อะไรจะเกิดผลเป็นประตาดาดที่เพศโผล่ลาคือตัวสติอยู่ในสุววันนาทาพระทลัาลามเนี่ยคือตัวอะไรไอหานุมานคือติดรับภาษาไม่พักไอทดการจะยักษ์มันไม่เป็นตัวของมันเอาหู่ใจไปฝากาเพลศีไอเพลศีน้างโง่สีพระรับฝากของชบ้าน ทศกณัณมหน้าโง่ติดเหรียนอยู่สิบก้อน ก, ก็ต้องตายเพราะไอ้หันมนันเอาเดวงใจบีบให้ตายท่านหน้าตอหน้าเบตก็ต่อหน้ า, นนาพระรามาธิบดีท่านในายเห็นไหมมีทั้งสิดเหียนมีทั้งสิดยี่สิบก้อน ม, มีตาจนเยอะแยะทาไมมาแพ้มนุษย์นะแพ้ลินลิ้นี่คือตัวสุดสำคัญมาก จุดนี้คือฮานุมานลูกพ า, ายคุณลงไม่มีตายจุดไม่มีตายอมตะแต่ร่างกายฉันขามโยมกองตายทุกคนอธมาด้วยไม่มีใครรอดก็หลอดไปแล้วแต่จุดแปล ว, ว่าไม่ตายเราไปสู่รัฐามที่ตนทําไว้ดังกล่าวแล้วเช่นเดียวกันนี่เหตุผลนะฟังเหตุผลว่าคือคนนั้นก็นางแผลไมตาให้สา ม, มีไม่เชื่อว่าผัวตายแต่พอผัวแม่ผัวทําบุญแล้วนี่พระมาดูนะหลามะดูนะ ไปหาให้อให้ถ่วยอะไรเปล่าก็หามอดูในตัวเนี่ยครับตื่นเนี่ยมาเป็นที่เพร่รู้จักไหมปะพูดอย่างนี้โยมจะไม่เข้าใจใช่ัหงเนี่ยที่แพรโขลาหรือว่านาฬยาคต์ตนได้จะยกมาในสนามยุทธนาจะได้บอกบอกตัวจุดบอกว่าอะไราว่าไม่ควรยกกองทัพนี้ไปไปแล้วจะตายก็ตื่บอกว่าชุกรายยาะยะไล้ก็ต้องกล่าววันพรุงนี้มาเลยนี้นะเนี่ย เอาอย่างนี้ไปใช้ององได้ไหมลาวพวกธรรมาฐานที่ปฏิบัติไม่ได้เนี่ยก็ทิ้งอริยบททิ้งหูตาจมูกริมกายใจไม่เคยกํหาหนดศาสตรสงฆไม่เหนือยจิตในเครื่องคอมพิวเตอร์เลยตุลาก็นั่งกับเดินจยอมยอมจะไม่ได้เลยเลยจะไม่ได้แน่นอนนะีะขอฝากไว้สมาประสบมามากแล้วขอมาสี่สิบกว่าปีแล้วอะไรเป็นอะไรเราก็รู้เราเรียนมาหมดทุกอย่างนะมาไม่ยุตเทรรมกรรมกายเอาอยัางไง สมาหังผู้หญิงชายใจขวาทํามาได้ด้วยเพนกระถึงเอาถาต่อข้างนาอย่างนี้ใช้ศาสตรเลิกหมดแล้วของไม่จริงทิงไปหมดเหลือแต่ความจริงของชีวิตแผลสามห้ารูกนามเป็นอารมณ์แล้วอยู่ตรงนี้เป็นของจริงนอกเหนือจากนั้นของปลอมใช่ไหมของปลอมแนะลมนะ้วมันสวยกว่าของจริงมันขูดที่โนดมันทาที่นี่แหลนเพชรแหวนปลอมแล้วก็ไม่เข้าตาแสบเสือใส่ตา ข้วแหวนแทบที่ไม่กลอมมันจะแวบแล้วมันจะชื่นหัวใจแสงมันจะไกลแสงไกลเหมือนตัวเราได้แสงแห่งความดีเช่นนี้ขอฝากท่านทั้งหลายไปคืความคิดดูในเวลาสมควรเนี่ยเพราะอาจารย์หญิงคนนี้บอกหลวงพ่อหนูจัดกังวลได้เป็นธมชาติไงในที่แหลวงพ่อพูดหนูไม่กังวลกับสามีแล้ ตายาดไปแล้วให้กวนแน่หนูมีแต่สมาี่นี้สติด้วยแล้ากใจเลี้ยงลูกสามคนเนี่ยให้เต็ใหญ่เต็มโตต่อไปให้จงได้กรมที่หลวงพ่อสอนพวกหนูทําได้แหละแพไม่ตาไปเลยแพนหวงพ่อสอนไปถึงสามีจะอยู่แห่งหนุนตำบลใดขอให้สามีปลอดภัยในโลกนุษย์และสามภรรยาพบใครบงหน้าจิตต่อไปถึงสามีเลยไม่ต้องแต่งในชาติหน้าแล้วทาบุญก็เห็นดรงนี้ ทำบุญเข้ามาโดยตามความตั้งใจว่ามันจะไปเอาชาติไหนชาตินี้ก็มไม่อาชาตินามันจะได้หรือเพราะแบบว่าอย่างนีที่อตมาต้องพูดแรงเนี่ยขอประชามภัยนะพอมันกระเจ็บเดี๋ยวมันเสียงมันไม่มีต้องตะเบงเดี๋ยยอมจะหาว่าเราพ่อหนุดุจังเลยมาดูดูแล้วไม่ระเบงเสือมันไม่ออกเข้าใจไหมเจ้าคงะลองตะเบงเราคนก็บอกอลวงพ่อดุจังเลย ก็ไม่ดูยังไงอย่างไม่พูดยังไม่ไม่กระกระแทกเสียงมันจะออกแล้เข้าใจคันนี้ไหมคะโดนบัดาลของภรรยาที่ไม่มีกังวลกลัมาที่เกิดโดนบัดาลด้วยเมตตาและอุทิศเงินสให้สามีถึงค ด, ดีดก็ปรากฏว่าสามีได้เงินแล้วห่อเพื่อไปตระ ห, หารเข้าไปเมืองกัรมบูชาไปตั้งบริษัทญี ป, ปุ่นอาุลไทยแลวก็ทำบูชาก็ุ้่นด้วย รวยมาหาศาลแต่ออกไม่ได้เขาเหม็นแม่ไม่ออกเขาเหม็นไม่ไม่ออกมาก็เอาไว้ตรงนั้ น, นเนเลยก็นั่งพิจารณาถึงภรรยาภรรยาแผ่แ ม, ม่ตาเห็นหน้าภรรยาทุกวันก็ทําให้ได้สมองทาให้เกิดปัญญาจากภรรยาทะรลาบขายใ บ, ยบยสัตว์โ ด, ดือดด่วนเนี่ภรรยาอุทิศเพ่อให้ถึงถึงเลยกระทั้งคุณภรรยาก็มีค่าบอ่าผัวอยู่ที่ไหน เห็นหน้าภรรยามานันน่งเผื่อดมภาวนาอยากจะต้องเอาเงินออกมาเอาเงินส่งมาบ้านไอ้เขมิ้นเนี่ยก็ไม่ส่งภาวนานาคันมันก็ไม่าำทั้งหมดเลยขายโดยสัตว์ขายยังไงไม่เอาเงินดอลลาร์เท่านั้นขายอยู่ปุ่นไปกินเงินกรรมวิชาก็ขายได้ย่าทางานทําไมจะกลับได้ขมิ้นต้องตัวดานเลยภรรยาเนี่ยก็แผ่เมตตาไปก็ไม่ทราบจริงจัง หอให้สามมออดภัมือโชคมีชย า, ายตลอดไปเท้าเงอนเทาเงนเลยก็เกิดมีอปัญญาขนมาเอาเงินห่อสามีชั้นใจไอ้กระชุกแล้วก็เอาผักมางเอาข้านมบังอยู่ข้างนอกเงินดนายัดยัไป้าขงขมรหาการเขมหาไอ้มาทรงไอ้เก็ไม่รู้ว่าเียสจังแค่นเลยเงินโดนด้าทั้งนั้นได้หาบมาถึงด่านเขม อย่าไปคุยให้กับตามขโมนบ้างอะไรบัางบอกอะไรไปเนี่ยก็ส่งประชาราอังกฤษบอกว่าเนี่ยขาดแกขนมอย่าไปแจกกันที่นนท์ชายแดนเลยก็เลี้ยงออกชายแดนมาได้ถึงบ้านสกลนครทันทีพ่อแม่หนูก็ถือมาแล้วถือมาพยายามไม่เกลียพ่อแม่กงโง่ไปหาพระมาดูบกตายแล้วเนี่ยตายแล้วกลับแล้วบัดนี้ช่วยเลี้ยงลูกอย่างดีตลอดมา ย่งเงินทองก็สร้างบ้านซื้อที่ซื้อไรวัดจตุรคณแล้วทำมาจัดจำเป็นมารวยฉบัดเลยรวยฉบัดโยนเนี่ยรวยฉบัดั้มเนี่ยทุกคนเนี่ยรือขบับดไหมหรือฉบอหรือโยกใครนะเลยก็นํามือถึงจตุรคณน้องไผใส่ลือกันมากันใหญ่เลยหลวงพ่อคะง้างที่วานหัวจะกลับแล้วหัวไปไหนล่ะหัวไปมีเมียน้อยง้างครับ สิปก็เมื่อมาเอาไงคนละเรื่องกันเลยเนะี่ยคนละเรื่องกันแต่เรื่องเมียเรื่องผัวมันการแตกคนละลายไม่ใช่ลายนี้ขอฝากไว้ด้วยนี่เรื่องจริงช่วันนี้หลับเนี้ยแล้วก็อยู่มาไม่ชาพาสามีมาที่นี่เอาของมาถวายมากมายไก่กองบอกว่าไปไงมาไงสามีก็ตอบว่าลําบากจริงๆนะพ่อ เมื่อนะผมนะมาอยากแทบจะกราบเท้าภรรยาเลยว่าอุตส่าห์เลี้ยงลูกได้ดีแล้วก็แผ่เมตตามานั่งกรรมฐ า, านที่วัดหลวงพ่อ น, นี้ตลอดทายชานไม่นั่งนะเขามาที่นี่เองนะเขามาด้วยความฝันมาฝันมาที่วัด น, นี้ฝันมาทวนดที่ น, นี่นะเขาบอกว่าเขาจะแก้กรรมได้คือเขาฝันเขามาเองนะเขาก็เดินทางมาคนเดียวเป็นครูโรงเรียนอาจารย์ มควางงมรู้พญาโพเขาด้วยมีเหตุผลเกิดขึ้นที่รัก น, นี้กกนชัดเจนเนี่ยคุณได้การตำราขึ้นมาจิตมไม่สงบมีแากจิตไม่เป็นสมาธิมีเจ็ดกลัวเ อ, อ๊ะฐานเมื่อจิตไม่สงบเราสมาธิทํายังไงมันก็ไม่เกิดสมาธิแหละเกิดจะวุ่นวายยุ่งนงั่งยิ่งวุ่นวายยุ่งนั่งยุ่งวุ่นวายยิี๋เลิกทำให้เบื่อ น, นายจนการนั่งสมาธิทำให้หนืออ่อนจากสมาธิไปไเลย โดยวุ่นวายตุ้มใจใหญ่กําหนดไม่ได้ก็หอบเพียกลับบ้านเลยพระอาจารย์ที่เขสอนเขาบอกว่ายานหอบเพี่อแล่ตรียมจากเ็ษมขนแล้เลยต้องไปตามตัวมาตามตัวมาใหม่เขาก็ไม่มาแล้วเห็นว่าเป็นยานหอบเพื่อได้แต่ถึงตอนนี้ที่จะไปเนี่ยพระอาจารย์ก็ต้องดูลูกศึกอย่าให้หนีออกไปได้ทั้งสติทั้งแสดงแสงว่าทาผิดทางแล้วทําผิดทางต้องขวบคุมตัวไว้ก่อน ให้ทําให้ถูกให้ได้แต่ทําถูกแล้วก็าจ่อยกลับไปจะเรียกว่ายานหอบเสือได้ยังไงมาแปลงกำลังเกินของพระพุทธเจา้าไปเพิ่มเติมของพระพุทธเจา้าได้อย่างไรเนี่ยขอฝากี่น้องไว้ทุกคนในวันนี้มีวัดติกใม่สงบติดไม่เดชสมาธิเพราะดังดีกล่าวมาเึ่นอยู่กันเนี่ยย้อมเนี่ยป่าปัจจัยมันจะกู้เนี่ยบอกแม่กะหลงไปกาฝันเอาฝันยังไงเราก็ไม่ต้องฟูกันนะ หลองคือพระวายุวันเนี่ยยมรปัดกระจายมาคุณยมขมอนี่ไงท่าวใต้นี่ยคยมมาให้เราจะจิ้วเนี่ยนะจะมาจะพูดให้ฟังถึงมาจังหวัดจิงรายนี่ดูมหาารรมายถงโรกปวดกีรไปแล้วเรื่องัวนิ้ เ, เรียกริงยาตายก็ไม่ขอเล่ามากเวลาจากัดแล้วเอากะโหลกไข้มาเดินเดินไปตาก แม่สาวสวยผมยาวตบแก้วเพ่งไปหนึ่งได้จังหวัดเชีงยงรน้อยไปเธอเนี่ยแค่สัวนี้เดียงที่ผัวเธอเนี่ยคือว่าไปส่งลูกสาวเพื่อนของอเพื่อนของลูกสาวถ้าเข้าใจว่าผัวเธอเนี่ยไปได้คนนี้นะให้ตัวบ้านให้มันเนี่ย แล้วพ่อแม่มันตายหมดแน่มันก็เป็นเพื่อนกับลูกสาวลูกสาวก็จบปริญญาโทจุฬาพอบ้านแม่บานนู้ก็ไปช่วยส่งเรียนคู่กับลูกสาวย่าปลูกบ้านให้มันหลังนึ่งราคาไป็นล้านล้านทุนเท็จรู้ทุกแม่บานก็เข้าใจว่าจะไปได้กับคนนี้ทะเลาะกันบ้านแตแกเพราะแดดขาดสินยาตายสาวที่สวยน่ารักจบแก้ากระเด็นเลย น้อยไปเธอเนี่ยถ <Yeah. S 2> ้าเราฉันมาเดี๋ยวปยาของเธอฉันก็ไม่มาชื่อเธอแค่มี้กินยาตายจะยังไงลูกเธอสามคนก็สําเรสพติญยาไปหมดแล้วมีอหลักฐานมึงคุ้นเทพหมดแล้วทำไมยัไปชินผู้มไม่ออกกูบอกหัวไปไปมือเนี่ยมาเ่าไม่ใช่รู้ไหมไอ้นางสาวคนเนี้ยเพื่อนลูกสาวตัวเองมาก่อนนี้มาช่วยช่วยหัวเธอมาก่อนเนี่ยเธอหัวเธอก็ต้องไปช่วยเขา อย่างนี้จไม่ใช่หมายสามีภรรยาเธอและปาได้ไัแต่เขามาห ย, ยับพูดอย่างนี้กันไหมได้เขาได้เอาเราจะาปละแล้วเดินออกประตูเดีวเดยวเดียดีวยีวยวไม่มีนสงสายอยู่ไหนเนี่ยเอาละเราจะบอกเจ้าคาเดียนะเราอยู่ว้พวันทิมุริไปถามเอาเอยายพึ่งกาหลงเดี๋ยวหายว่าไปกลับตาเลยไม่ยาบ ถ, นถีนะยาบถีนะเพราะกลายเป็นเพศแล้ะไม่ต้องไปสพนพฤทธมาดาได้ พอใจคำนี้ีวนันนี้แม่ตาหงได้เข้าฝันโยมเนะ่ะฝากกระตังมาแล้วนี่ตากกตังมาให้รวมน้อมเรื่องที่ จ, จังหวัดจีนลายแล้วจะมาอยู่ไม่ชาเราไม่รู้เรื่องนี้เขาเอารถตู้มาตามมาถึงบรีก็ถวยายหัวฉามด้วยมาบอกวัดนี้มือชื่อแม่ตาหลวงไหมเราก็บอกไปดูเขาเองไมถือนะ จะวิวาและจะสู้แต่งการได้บาปนี้ก็เป็นเพศแท้แต่บ้านคุณเนะี่ยก็เป็นญาต ก, กับเขามา่ครั้งอดีต้าไมเป็นญาติครั้งเดีดเขาอยากไปช่วยทำไมก็ลงกดแห่งกรรมซะหน่อยดูมาล่าชาสามีมารอกพ่อจะลงเลยพ๋ อ, อผมยังอยู่ยุป่าสิบกว่าแล้วยเขาเรียกพ่อเลี้ยงแต่จะไม่ออกซื้อออกซื้อเขา้าบอกว่าเนี่ยผมยังไม่ยาชีในตลาดเนี่จึงนั้นตรงนี้อีกพ่อเขาเขยกให้ใช่ ลงกอดแห่งกรรมไปตามความจริงถูกต้องว่าหาว่าผมเนี่ยไอเจ้าชูใไอชอบครับเพื่อนลูกสาวแล้วถ้าพ่อผมรู้มาลายสมบัติเขาจะไม่ยกให้แต่พ่ออย่าลงเลยจึงไม่ลงแต่ขอเล่าได้ไหมอย่าไม่ออกชื่อให้รู้ว่าอยู่จังหวัดชิงลาได้ครับขอญาก่อนนะเดี๋ยวจะมาเกิดมาปองร้องเราข้าขอฝากไว้เนี่ยญาติพี่น้องเรื่องจริงมีมากกว่นี้ แต่พอกระดุกใจความไว้อย่างนี้และเรี่งเงเนี่ยได้ทอรรมาธิละจุดมั่นคงได้แก่คุณคาลิอังทราวิจุตเพื่อเพื่อเนแห่งชาแปลงเพลงแก่งมากแต่ภรยาสูญหายไปจนไม่ทราบจนที่นั้นกำลังแต่งเพลงอยู่กำลังแปลงเพลงอยู่แน่นอกแน่นมาก มีนังสือสวดมนต์วาสนาอยู่ในกระเป๋าเขาสวดทุกคืนอย่างพระหุม่มาตาเนี่ยเดี๋ยวนี่ยมาบอกอย่าพระอย่าแจ ก, กให้น้องหนังสือแจ ก, กเอาไปชิงนาคุตีหมดพวกนี้พวมัมีบุญอย่าให้อย่าไปแจกถ้าต้องการที่จะให้เอาไปชิงกันเนี่ยตามมาตามทุนทีนี่คนไร้บรกรกุญวัฒะอย่าแจกไม่แจ ก, กคุณชา ล, ลีอวิจะมากันเยอยทั้ง ผู้ขับขับหนังพวกดารามาเข้ากรรมฐ า, านเยอะในวันต่อไปเนี่ยเดี๋ยวภรรยาเขาลายเขาจะมานั่งกรรมฐานด้วยอันนี้ก็จะไม่ข อ, อกล่าวชื่อเขาแต่ชาลียังทจิตบอกว่าผู้ชายผิดตาหนในะ่งผู้ชายแกนเลือดนานแล้วหมอหมออยู่ด้วยการก็ดูแลบอกต้องส่งโรงพยาบาลเรียนาจะไม่ทนถึงโรงพยาบาลต้องตายแน่ตาย คือแค่เลืองในหัวใจตีแต่องไปผ่าตาดต้องไปขาน่องของแยงเข้าไปนะวันนี้เนี่ยอส่งเรามีบ้าลใหญ่ราชารีก็บอกอยู่ในรถบอกว่าพ่ อ, อหายใจไม่ได้แล้วหายใจไม่ได้แล้วผมก็นึกตัวเองว่าไม่ทำถึงโรงพยาบาลแ น, น, น่นอนแกก็ตัดสินใจสื้อมาตว อมือตามหัวใจว่ากริง่อพังวาลังสมาับไม่เจ้าเจ้โแล้วรวิูไมหาใจหายใไม่ได้ออพาหูมากาจอบทับจิัว่าว่าพิกงหายใจล่งเลยนา่งได้ทันทีนาชาลีอินทวิจุเจอที่ไหนถามดูนะนักแต่งเพลงเก่งมากเลยก็พากันดาราทั้งหญิงทั้งชายที่เรงแห่งชาติมาที่วัดนั่งกรรมฐาน บารมพ่อครับผมขอากราบท้าหลวงพอ่อในวันนี้อย่างสูงยิ่งเพื่อช่วยชีวิตผมผมสวดแล้ะผมบอกหลวงพ่อจะร่างช่วยหลวงพ่อจะร่างช่วยนะทํำไมช่วยตายเหงื่อผมหายไปคนแล้วผมจะไปหายไปคนเลยเนี่ยเนี่ยพอสวดแล้วมือกรรมหุ่ใจไ ว, ว้วกรรมหุ่ใจไว้สวดนมมี่ทําให้เกิดสติทำไมทําให้เกิดสมาธิตายให้ตายบารมพ่อชีวิตบ้านกลางชีวิตเนี่ผมจะฆ่าเนี้ย ผมจะเก็ดผิดนะหรือทำบุญเก็บผิดก็เอาหนังสือมาให้เก็บจุดสองเลยก็ตรวจตรวจได้หลวงพ่อเจรานช่วยหลวงพ่อเจรานช่วยก็ยืนดีชอบมากกว่าหลังก็มาท่นบนทงวิชาธรรมโนศุกร์ลวิทูว่าเข็มเื่อจหลับตาว่าโคนตะคองไปบอกว่าอ่าคุณชาลีตั้งตะตู้ไหมชาลีกั้งตะตปามมิดทาไมเอออ่าผมตรวจมอญชนปลดมลเบอร์ใครเบอร์ใครหมอทุกคณไปบอกให้นจะไม่หลอน มาถึงโรงพยาบาลใหญ่ตรวจไปคลุมคาลูอุลังอิจตก ja ็บอกอาจจะมาว่าหลวงพ่อเออขอเรียกหลวงพ่อช yes, ่วย้วตรวจหาใจไม่ออกหายใจไม่ออกแล้วก็ตรวเยอลๆวันนั้นมาทุกโซบิชามีนวตุโตเรนจยเจนจุยาิโยติเชติโชกวนังจะมาเป็น่องเลยหายใจออกเลยนี่นี่ตรงนี้แล้วบางคนเนี่ยจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บมาเกื้อเกืนอำช้ำโยมจะหายอย่างไรฮ จะหาได้ยังไงถืกกง อ, อ, อกากระรองพ่อเพื่อแผ่ให้กาให้หน่อยแผ่ก็ไม่ออกก็โยมรับไม่ได้โยมหมอ้อมัตอรี่หมดไฟแถมเก็บไฟไม่อยู่แล้วเก็บไฟไม่อยู่แล้วในหม้มอหมอ้อมัตอรี่เสียแล้วช่วยไม่ได้หรขอเจริญพร อ, อย่างนั้นนี่นะอู้ทูมาปฏิบททัติธรรมก็มีความหมายอย่างนี้ขอเจริญพรไว้ ผลตรวจมลเนี่ยสรวนจริงจริงหน่อยตรวจไม่จริงนะตรวจแล้วก็ทุ้งขิ้งว่างวางไปไม่มีทางได้เลยมันมีเรื่องยกตัวอย่างอยู่มากหายอาจจะเป็นคารวาหรือเป็นพระสุโถงองค์เจ้าทําได้มันจะเป็นอย่างนี้อยาทีกล่าวจิตจะสงบตลอดจิตจะเป็นสมาธิตลอดเวลาการเพอาะมีหลักฐานนที่กล่าวมาที่อยูที่แกนแสดงนี้จิตสงกไม่มีมุ่นวัง ศาร์ปริภคกษ์กังวลทุกคนนะนหน่อยมาอยู่แนละ้วไม่ใช่มาวันเดียวบางคนมาวันเดียวไม่ได้เลยเลยเขโดนกระทบหน่อยหนีเลยกลับเลยเนี่ยมีหลายรายลูกูดีมีมีสักไม่มีความอดทนเลยเขาก็บอกเนี่ยตรงนี้ทิ้งไม่ได้มันกกโตก็ตกเท่าเนี้ปราบบ้านเลยเนี่ยยาหอบเถื่อนโดนกระทบเนี่ยกลับเลยเขาเพื่อตืนเพื่อหวังดีมาจะเตือนให้เป็นคนร้า ก็ฝากไว้คนไม่อดทนเนี่ยไม่ต้องมาทำในกระถางไม่ต้องอดอทนไม่ได้ปวดหนอปวดหนอก็ยังปวดไม่ได้ลแล้วก้าโนเป็นถึนตั้งสติไว้ให้ดีเถปิดปว ด, ดหนอเข้าถึงทำมาแลมจะเกิดขึ้นกล้งหูอยู่ดับไปเวทนามันจะแยกออกไปจุดจะได้มาเป็น อ, อุปาทานยิ่มั่นดูในจุดนั้นถึงจะเป็นขนาดตรงนี้เขาฝากไว้อยู่นะไมย่ยอมไปวาดนอนออกว่านี่เป็นปวดฟูพรามไปฟังพระเทศกับพูด แตย่ยอมชอบฟังกับชอบพูดอย่ามาวันนี้เสียเวลาปฏิบัติไม่พูดแต่คุยพูดได้โดยบางอย่างจะไปคุยเท่าความหลังพูดเรื่องโน้นเรื่องนี้เอามาพูดทําไมการจะไวสิใจจะเบาสิเรื่องใจจะไม่ลื้อเฟินเดี๋ยวงงวัตถิคุณ่ทชอบทําให้บางทีได้ไหมอนาคตไม่แน่นอนอย่าจับไม้ข้ามตายอมผิดหวังจะเสียใจตรอดชิตตรงนี้น่าคิดแต่อทําไมไม่คำกันล่ะใจอะไรอีก เมี่ยดูอย่างคุณชาลีเนี่ยจะบอกหลวงพ่อทาไม่ได้หงพ่อผมายนะนังถือเนยพ่ออยู่ในกระเป๋าผมผมตรวจการเชงก็ดื้อตรวจด้วยบางครั้งการเชงไม่ออกการโดยนี้เลยนะการสดๆเลยนะจะมาทคมานั่งอยู่ก็มาบอกยอมช่วยแต่งเชิงเพิงแต่งทั้งรักทั้งแพงทั้งน้มในครวงทั้งหูงทั้งหวงแล้วก็ไปยกกุ้งกินาย่กันให้เพลินต่างนื้ ห ล, ลั ง, งๆทายาเสียงดีจะร้องให้ฟังร้องให้ฟังนะพระคารีตป็นคนแก่งนะั่งแต่งเดี๋ยวนี้เลยไม่พอชั่วโมงได้สองหน้ากระดาษว่าคุณข้าวก็แต่งเพลนด้วยหมอลงเพื่อวันพวันมีอะไรมีน้ำยาเน้อนตื้นเมือะไรึินเมือนอร่อยยังไงเรีอยวหวานนั่งเพลินายแต่งไปเพลินได้รยมต่งได้ไหมต่งกรรมฐานข้าวเยอะจะง ในการไปการพลงเ น, นี่ยการเนื้อหาสาระของตอนให้มีการถามต่อลูกหลานต่อไปแต่อย่างนี้นี่เหตุผลเราคนมานัาง่งกรรมาฐานทำไเอาไห น, นจะสู้อิสลามไม่ได้ไไไไเลยนะอิสลามไม่ฟูดไม่คุยเลยมันจึงถือถึงอดคือเราสมุดมือมือมือเรื่องอาหารจับ ก, กระวานเรื่องอาหารเรื่องไฟฟ้ า, า ถ, ถึงเย็นน้ำเทเยอะไม่ตู้น โดนจองกองานางมาพูดจาก็ใครด้วยนี่คือิสลาได้ผลอย่างนี้พูก็ได้ถอนก็ไมหมายความว่าเอาอิสลามมาเป็นพุนธเลือกดมาเป็นคุณพูดเสร็จแตามดัง้กามมีค้องมือแฉก็แกเอาคุณเอ๋อนับถือกันนะคุณไปเถอะเราไม่ว่ากันเนี้คุณไปอิสลามก็นับถืออิสลามไปนี่ยผมพูดกันนะนับถือพูดไปเป็นพูดก็นัถือพูดไปแต่ล้ามือบนอก มือทักมุงตุลาขายแลวก็ให้สรยังไปใช้ดูถ้ามันคนก็มาขอใหม่ถ้าใช้มาดูพึ่งไปไม่มีปัญหาใดมาดูพึ่งไปขาดในรากามันจะเครียหหลังใครชอบใจมากใครชอบใจมากแต่ขอสรุปใจความโอกาสนี้แพอำมรนาญาโยมเวลาจันท้ค่ะแ้วกลงปฏิโมกมีมาคอยจะต้องเปิดอฏิบาติธมกันอุ ขอพอยอมมาด้วยความตั้งใจทํา้วยความตั้งใจถ้าทําอะไรตั้งใจทําต้องได้ผลกาตั้งใจเรียนศึกษาต้องสําเร็จแต่ม่ถามก็มาแหรอกทำด้วยทางเคารพหน่อดีนะมเะารตัวเองจาให้ดพูดแล้ต้องทําำดึง ย, ยาวคำพูดไปทึงนะเอาพูดคาทึงไม่ได้แต่เคารพจะถานพี่เขาด้วยจะถานพี่เขาทํายังไงตาดูหู้ฟังตาหึ่งหึ่ง เขาเคยทายังไงดูเขามั้งพาม้วนรูรูตาการจย่าเอาอำนาจบาดใหญ่ของเราไปใช้แต่กรถทำทู่ท้าสามเล็รพกฎหมายบั้งบูนเขาเลี่ยอย่าเอาของตัวมีอำนาจแบบชาตอัตมาไปยุ่งเหรอภาคะเทศเขาเคารพกฎหมายบั้งบูนเขาชุกตัดเพื่อถี่ระไปมาไงต้องทำอะไรทำด้วยคามเพือย่างนี้ทาด้วยจุดสงบมันจะได้จะลดทาทาอะไรมันจะได้ไม่ด้วยความถูกต้องแต่เด็กก็ัญหาได้ คำอย่างนี้ไม่ใช่ใครต้องได้ยานนวนสามวันอธิบายยากันไม่ใช่อย่างนี้ยังทำไม่ได้ฉันจะได้ยาอะไรจะได้อะไรหรือแทนปฏิคอดของโอนท่านยังตัดทางบ้านมาไม่ได้ลัดมาไม่ได้แล้ว